นั่งปฏิบัติรรมกันหวังทำวัดเช้าวันนี้วั้วก็เขียนเชาน้านี้ไม่อยู่จะเตรียมเดินทางไปสุราษฎร์ธานีส่วนโมกมีเพื่อน สาก ร, ร ม, มิกนิมนต์ไปหลวงพ่อตะวินไยืนข่าวว่าสันมอกหลังจากที่อาจารย์พุทธาาน นับภาพไปแล้วระยะนี้มีปัญหากันภายในก็เลยมานิมนต์หลวงพ่ออมเคียนให้ไปดูมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะแก้ไขกันไปที่ทางไหนให้ธรรมะที่จารย์าิชาธันเขาเข้าใจได้สัมผัสแล้วก็ อาศัยปักหลักเผยแผ่จนกระทั่งมีชื่อเสียงชาพุททั่วโลกสนใจแต่ว่าช่วงนี้อันดาลุกศิษย์ลูกหาก็อาจจะมีความเห็น ที่แตกต่างกันไปบ้างอรบาศกบาศิกาพระสงฆ์ต่างๆอันนี้ก็คอยฟังข่าวกันต่อไปเมื่อหลวพ่อท่านกลับมาจานนัดกันตุ้มช่วงนี้ก็อยู่เมืองจีนเห็นว่าไปไหว้ไปกราบ เวลางก็ไปหลายวันแล้วพ อ, อวันนี้นอาจารย์วัชชัยก็จะเดินทางไปศีรางกากับกลุ่มแม่ชีนิพพะหรือสายศีรษงกาที่อยู่ประเทศไทยมาปตามที่วัดป่าสุขโตแล้วกลับไปดูแม่ กันมนไทยไปไหลายชุด mm hmm. การเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องขอวีซ่ากันทำพาสปอร์ต mm hmm. ถึงกันคือพาสปอร์ตคือบัตรผ่าน mm hmm. อันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากความรู้สึกตัว mm hmm. ถ้าจะอุปมาอุปไมย ความรู้สึกตัวมันเป็นตัวผ่านแต่ผ่านมาที่ความรู้สึกตัวกลับมาที่ความรู้สึกตัวความคิดหรือว่าการปรองการแต่งความทุ๊มันก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอดีตเคยสูบก็ทิ้งไว้ข้างหลัง อดีตเคยทุก็กินไว้ข้างหลังก็เหลือแต่ลักษณะของความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวอะมันทําให้เกิดปัญญาขึ้นไหมทาให้เห็นอดีตจีวัตรดี๋วมาใช้ทําให้เห็นอนาคตจีวนาคตมาใช้พรมันเห็นปัจจุบันก่อน ปัจจุบันยังกันตั้งรู้จักตัวชีวิตไก่ทิมใช้จริงๆเป็นปัจจุบันเป็นยังไงวาจาที่ใช้จริงๆเป็นปัจจุบันเป็นยังไงอดีตอนาคตที่มาผสมกันเป็นความทรงจําได้ไหมรู้เป็นคุณธรรมอย่างไรเป็นความดีความงามอย่างไรเป็นความฉลาดอย่างไรเป็นความจริงอย่างไร จนกทั่งเหมือนกับใช้ชีวิตนำลงชีวิตได้อย่างผาสุขรอ ก, ก็ไม่แชามา์ทำก็ไม่เสียโลกอยู่ก้โลกก็มีอะไรก็รู้ก็มีการมีกินมีเกียดมีสังคมนิยมต่างๆมีสมมติบัญญัติต่างๆล้วก็รู้จิตใจก็แล้วก็ผ่าน ความรู้เหล่านั้นรุนละกวางรุนละกวางเหมือนกับความรู้สึกที่ขณะเคลื่อนไหวมันเป็นความรู้รุนละกวางเหมือนกันทุกครั้งที่กระทบรู้สึกเป็นปัจจุบันมันก็ปล่อยปัจจุบันมันก็วางนั่นแหละพลิกมือตั้งรู้สึกตัวมันก็วางความรู้สึกตัวที่พลิกนั่นแหละ แล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปเหลือแค่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามันก็เป็นทางเดินก้าวเดียวก้าวเดียวก้าวเดียวก้าวเดียวก้าวเดียวขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งสิ่งที่รู้แล้วเอาไว้ข้างหลังสิ่งที่รู้แล้วเอาไว้ข้างหลังเมื่อเกิดใหม่ก็เห็นแล้วเห็นอีกบางอย่างก็หยิบมาใช้ใช้เสร็จแล้วก็วาง วางแล้วก็ว่างว่างแล้วก็สบายโล่งปร่งเบาสิ่งที่ทำก็เป็นธรรมชาติสิ่งที่ทำก็ไม่ใช่กรรมกรรมดีก็มีเป็นบุญกรรมชั่วก็มีเป็นบาปกรรมขาวกรรมดำแต่ถ้าเป็นธรรมชาติแล้วมันเนื้อขาวเหนื้อดำ เพราความรู้สึกตัวถ้าเราทาจะทั่งเป็นอาการกิริยายกมือเป็นอาการกิริยานั่งเป็นเพียงแค่อาการกิริยาจะเดินจะทำงานทําการเป็นเพียงแค่อาการหรือว่ากิริยากิริยาเนี่ยเราเห็นได้กระทบได้อาการเราก็สามารถเห็นได้กระทบได้อยู่ภายในใจของเราเนี่ละ กยาเราเห็นข้างนอกนั่งเดินยืนนอนตาหูจมูกลิ้นแต่ว่าอาการนี่ก็คือลักษณะของจิตของเราอาการปกติไม่ปกตินี่เป็นอาการมันเป็นลักษณะของนามรูปปฏิบัติทางด้วยเห็นนามรูป การเห็นนามรูปนะมันคือลักษณะของอารมณ์รูปนามที่มันชัดขึ้นมาสติมันมีขึ้นานามก็เห็นนามรูปตามกําลังของสติที่รู้รูปนามสติมันมีมันเป็นลักษณะของความฉลาดถ้าเป็นสติปัฏฐานก็มีปัญญา เกิดขึ้นมามีสัมผัญญาะเกิดขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวเห็นเราแล้วก็เห็นธรรมชาติของตัวเรามาดูกายก็ต้องเห็นธรรมชาติของกายเป็นรูปธรรมมีอาการต่างๆประกอบเป็นตัวชีวิตเห็นจิตเห็นใจก็เราเป็นนามธรรมจิตใจก็มีอาการต่างๆประกอบมีอารมณ์ต่างๆมากมาย เราก็เห็นเป็นอาการเป็นธรรมชาติเราก็รู้แล้วไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออาการเหล่านั้นห้ามไม่ได้มีเหตุปัจจัยบางทีร้อนก็เกิดอาการหมดหิตบางทีเย็นก็เกิดอาการสบายมีความสุขบางทีฝนตกบางคนก็ชอบทีฝนตกบางคนก็ไม่ชอบสิ่งเดียวกัน อีกคนนึงชอบอีกคนนึงไม่ชอบอีกคนนึงว่าถูกอีกคนนึงว่าผิดอันนี้คือเรื่องของสมมุติมันดัดการตีความต่างๆความคิดของเรามักจะคิดแบบตีความมากมายเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละบุคคลจริตนิสัยอุปนิสัยของแต่ละบุคคล แต่ว่าสิ่งสิ่งเดียวกันมองให้สุขก็ได้มองให้ทุกข์ก็ได้มองไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้สิ่งเดียวกันใอเวลาเรารู้สึกตัวเราก็จะเห็นสักตัวไเห็นเนื้อสิ่งเดียวกันเวล า, ากระทบสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้ถ้าคิดรู้ก็ไม่่เห็นความจริง มันก็จะเห็นแต่มายาของจิตที่มันมีเละกลมีอุบายมีกุศโลบาย<ม>ก็อยู่ในวิธีคิดคนดีก็คิดดีคนมีสีเหลืองปิดตามองไปทางไหนก็เห็นสีเหลืองปิดตา<ม>เหลืองไปหมดมันติดตาติดใจ คิดว่าโลกนี้จะเป็นสีเหลืองบางทีเรากระจกดําเหมือนกันเวลาดูสุริยุปราคาเอากระจกมาล่มฟันก็ดูมันก็เห็นโลกมืดเลยแล่ะขนาดตัวอาทิตย์ยังมืดเลยแต่พอเราเลิกใช้มันก็เห็นโลกสว่างแต่ว่าดูมองดวงอาทิตย์ไม่ได้ตาบอด บางทีมันก็เป็นอุปกรณ์ทําให้เกิดความฉลาดบางทีมองดีๆความมืดก็ทําให้เกิดความฉลาดขึ้นมาได้เหมือนกันมันเห็นแสงสว่างชัดความทุกข์ทำให้เห็นความไม่ทุกข์ชัดเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดก้าว <c oughs> ล่วงออกจากความทุกข์ได้ชัดในตัวความคิดของเรา คิดละกอดคิดละกุ้มคิดละกังวลคิดละสงสัยเกิดเกิดความลังเลต่างๆเกิดการปรุงแต่งต่างๆมากมายก็ตัวคิดความรู้สึกตัวก็เลยแยกแยะให้เราการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันแยกให้สัมผัสรู้ที่กายไม่ใช่รู้สึกที่คิดรู้สึกกายรู้สึกกายทำไมเห็นรู้สึกคิดชัดถ้า ความรู้สึกที่คิดยังไม่ชัดก็นั่นหมายถึงว่าก็ยังหลงเข้าไปในความคิดได้ถ้าออกมาจากความคิดก็นั่นหมายถึงว่าความรู้สึกตัวสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวก็ชัดมันตรงกันข้ามเลยมันเป็นสิ่งที่พยายามบอกทิศบอกทางนักปฏิบัติตัวความคิดเหมือนกับความมืดนี่แหละเหมือนกับปัญหาทาให้มีปัญญานี่แหละ ปัญหาเมื่อทะลุทะลวงเห็นได้ชัดเจนผ่านได้ก็คือตัวพัญญานั่นเองกลายเป็นความเข้มแข็งกลายเป็นเรื่องของอินทรีย์ที่มันแก่กล้าให้พลังเกิดพระเกิดกําลังใจเป็นพระขึ้นมาไม่จนใจไม่ขาดทุนชีวิตไม่เป็นหมันเป็นชีวิตที่ไม่มีโมคะเกิดขึ้นมา โมฆะบุรุษโมฆะสตรีชีวิตไม่เป็นโมฆะความหมายของชีวิตมันชัดเจนขึ้นมาบางคนสับส น, นหรือเราเองบางทีเราสับสนอะไรการจะอยู่ไปทําไมจะทํางานไปทําไมจะบวชไปทําไมจะอยู่วัดไปทําไมจะเรียนไปทําไมจะคบกับเขาต่อไปทําไม มีแต่คำถามมาทำไมทำไมนี่คือสับสนถึงทางตันเราก็ไม่ตันเพราะว่ามีความรู้สึกตัวมันเป็นทางทรุทรวงอยู่แล้วเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องมันทะลุทรวงไปเลยใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจของเราเป็นความรู้สึกตัวก็นําไปเป็นทั้ง ภาวินัยความรู้สึกตัวนะีเนสส่เป็นทั้งพระสูตรเป็นทั้งพระอริธรรมก็คือเรื่องของกายวาจาใจนั่นแหละเป็นลักษณะของไตรสิกขาทีเดียวความรู้สึกตัวศีสมาธิปัญญาอยู่ในความรู้สึกตัวมันก็จึงไม่ต้องดนเดากันไม่ต้องมาคํานวณคาดคะเนกันไม่ต้องมา มีความรู้สึกว่าถูกหลอกแต่ความรู้สึกตัวนี่มันหลอกตัวเองไม่ได้ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวก็เท่าสัมผัสไม่เห็นตัวเองจริงๆเห็นการเคลื่อนไหวมีมือมันก็เห็นจริงๆบมือคือกายคืออวัยวะส่วนหนึ่งของกายมือเราก็ประกอบด้วยธาตุน้าธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเหมือนกัน กระทั่งมันรู้ทั่วสารพานกายไม่ใช่มือมือก็คือกายเท้าก็คือกายตาหูจมูกลิ้นก็เป็นกายกายยปัสสัตถกายยวิญญาณจักสุวิญญาณสดตวิญญาณการณวิญญาณชิวหาวิญญาณมันเป็นลนักษณะของตัววิญญาณที่รู้มันรู้รูปธรรม ทุกครั้งที่ตะวันต่างๆเปิดกระทบสัมผัสความคิดสัญญาจำได้หมายรู้โดยสมองโดยกลไกของธรรมชาติมันก็เป็นการตีความเกิดขึ้นมาทันทีคิดก็เกิดการตีความเห็นก็เกิดการตีความได้ยินก็เกิดการตีความกระทบสัมผัสก็เกิดการตีความมากมายเหลือเกิน พอเรารู้สึกตัวเป็นเราก็เห็นแล้วโอ้ตัวความคิดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมติบัญญัติจะตีความยังไงจะเป็นสมมติบัญญัติเราก็เลยรู้แล้วหลังของความทุกข์อยู่ที่วิธีคิดนี่เองคิดเป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่คิดไม่เป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นทุกข์ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเห็นตรงตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องธรรมดารมดาของโลกใบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองสติปัญญามันก็ต่อแบบนี้มันไม่มีอะไรหรอกแปลกไปสองพัน ป, ปีสมัยพระเจ้าจเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นะบางทีสมองมนุษย์อาจจะใช้เป็นความสะดวกเป็นความสะดวกทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างผาสุกหรือว่าเกิดการเหนือคนอื่นขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเป็นต้นแบบ ส, สวยรวยดีฉลาดเป็นที่หนึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือล้าสมัยต่อไป mm hmm. ของใหม่ๆก็จะขึ้นมาอีกอย่างเป็นต้น mm hmm. มันเป็นระบบที่ช้าจนกระทั่งไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น mm hmm. ให้ไวทันอกทันใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถเดินรถไฟยานพาหนะต่างๆพยายามให้ไวที่สุดมันก็รวมลงเป็นเรื่องการหาเงินหาทองใช้ชีวิตดำรงชีวิตการเรียนแข่งขันกันหน้าเนื่อยาเหนื่อยชีวิตจริงๆเนี่ยถ้าวิ่งตามโลกนี่เหนื่อยตายแต่ถ้าหยุดดูมันนีสนุก เราเห็นความจริงของโลกใบนี้แล้กิเลสมันไม่ได้เกี่ยวกับเรียนขนาดไหนสูงขนาดไหนเรียนสูงยังรอบยังกดยังหลงอยู่ก็เชื่อว่ามีกิเลสรวยมากขนาดไหนบางทีมันก็ยังมีกิเลสอยู่ยังรอบยังกดยังหลงอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีความสุขสวยขนาดไหน จะดูแลตัวเองดีขนาดไหนมันก็ยังมีกิเลสสวยแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงลเรียกว่ามีกิเลสนี่ยนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวการที่กิเลสความโลภความโกรธความหลงความรักความจังสุขทุกต่างๆความผิดปกติการปรุงแต่งที่ทำให้ทุกลักษณะที่มันเกิดจากความคิดพอเราปฏิบัติธรรมมันกลายเป็นว่า เปลี่ยนไปอ่แบบธรรมชาติธรรมดาธรๆกลอนหัวกนคิว้วนุ่งผอมผ้าเหลืองกนหัวกนคิว้วนุ่งผอมผ้าขา ว, ร ว, า ห, ว, ข ว, วหรือว่าไอ้สองกนหัวกลนคิ้วก็ถือศีลแปดอยู่วัดอยู่ว่าสร้างความรู้สึกตัวมันเลยกลายเป็นคําตอบในความรู้สึกตัวเป็นความปกติในความรู้สึกตัวมันจะเป็นความสุข เป็นความสุขที่เกิดจากจิตปกติว่างๆว่างๆเบาๆแจ่มใสผ่องใสไม่ได้มีปัญหากระตอบคำถามลักษณะของคนที่ก็มีปัญหาก็ตอบด้วยความเป็นปกติมันก็มีใช่เลโกหรือว่าการเล่นลิ้นอะไรกเป็นการชี้นำนเรื่องธรรมะเรื่องธรรมชาติให้เห็นตรง มีความเห็นที่ตรงไปตรงมาโดยเพราะตรงต่อสัจธรรมความจริงที่มันอยู่ตรงหน้าขณะต่อขณะเหมือนกันทุกคนอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับวันนะไม่เกี่ยวกับพุทธิภาวะคุณวุฒิบรรยวุฒิไม่เกี่ยวกับภูมิชาติกำเนิดไม่เกี่ยวกับความรู้สึกตัวเราก็เลยชวนใครจะหลงขนาดไหนก็หลงไปเถอะ ถ้าถ้าจะหาทางออกให้กลับมารู้ที่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ก, ตวการเคลื่อนกันไหวสิบสีจังหวะนี้เรียกว่าให้ผลจะงัดนักถ้าทาเป็นทําำจนทั้งเป็นนิสัยกระดิกนิ้วปั๊บมันก็เรียกสติรุดใจที่เป็นปกติกลับมาทันทีมันก็จิตใจมันมีบ้านอยู่ทันทีกลับบ้านได้ที่พักทันที ฝนตกเรามีล่มอย่างนีน้ก็ไม่เปียกมีน้าแลลวมีเศษแก้วเราใส่รองเท้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีบาดแผลหนาวก็มีผ้าหม่มมันมืดล้วก็มีไฟฉายมันมีความทุกข์เราก็มีความรู้สึกตัวแก้กันทันที<ม>การเคลื่อนการหวของกายนี่เป็นเครื่องมือที่อยู่กับตัวเราตลอดเว ล, เวลา เป็นอุปกรณ์ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ร่างกายของเรามนุษย์มันมีรูปขันมนุษย์มันมีรูปธรรมจับต้องได้สัมผัสได้ถัดน้ำถัดไฟถัดดินถัดลมเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบสัมผัสรู้สึกได้ทันทีจิตอาศัยกายอยู่เวทนาก็อาศัยกายอยู่ธรรมชาติต่างๆก็อาศัยอยู่ที่กาย ตาโอ้โหจมูกลิ้นกายมันกระทบสัมผัสจิตใจคิดนึกปรุงแต่งเป็นมันก็อาศัยกายอยู่กายสมองกายประสาทมันก็เห็นชัดๆมันก็จึงตรงไปตรงมาเหมือนก็เห็นจุดอ่อนมีจุดอ่อนแล้วเราก็รู้จุดอ่อนรู้ว่ารถเวลาจะขับนั่งที่คนขับรู้ทันทีว่าคนขับต้องนั่งอย่างนี้บิดกุญแจอย่างนี้ กียคนคนขับต้องปรับขนาดนี้ไปได้ทันทีจะไปไหนก็ไปมันเป็นเรื่องของรู้จุดอ่อนจุดอ่อนของชีวิตเราที่ทุกข์ไม่มีอะไรเลยเข้าไปอยู่ในความคิดอย่างเดียวเลยส่วนอื่นเป็นธรรมชาติทั้งหมดแต่ความคิดชอบตีท้าตีความแล้วไปยึดว่าคือความทุกข์พอรู้แล้วรู้อีกรู้สึกตัวก็เห็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการคิด คิดเมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวทันทีมันก็จึงเป็นเรื่องที่ทําไม่ยากเก็บอารมณ์แค้มต่จริงๆมันก็มีทางเดินของอารมณ์ชัดเจนช่วงต้นเป็นช่วงปรับเนื้อปรับตัวบางทีจะกางเต็นต์เข้าไปอยู่กับสถานที่มันจะปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับอากาศสิ่งแวดลอ้อมฝุ่นละอองเกสรต้นไม้ดอกไม้ต่างๆ บางทีมันมีฝุ่นที่เราอาจจะแพ้ง่ต้องปรับเนื้อปรับตัวอากาศเย็ยนอาหารการขบฉันบางทีเราเลือกไม่ได้ขมัดมือชกเราเรื่องของการตื่นการหลับบางทีเราไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกนะเราใช้นาฬิกาจิตแทนตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าเวลานี้ได้ยินเสียงขนาดนี้ก็พอประมาณได้ว่าเวลากี่ทุ่มกี่โมงกี่ยาม เช้าแล้วอยอืมสังเกียดได้บางที่เสียงสัสตว์มันก็บอกสว่างแล้วอย่างเงี้ยจะมีสัสตว์หลิดเรียงเลอะไรหรือว่าจั๊ ก, กจั่นมันก็ร้องอย่างเงี้ยรับกันเป็นตอต่อตอตออตอกระหึ่มทั้งป่าเราก็รู้ละเวลานี้ถ้าตื่นก็สายเกินไปบางทีเราก็ปรับตัวเข้ากาบอิริ บ, บทบางทีเราก็ไม่เคยเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะนานๆ เคยชอบนั่งนิ่งๆดูลมหายใจงั้นก็ปรับเข้ากับรูปแบบปรับเข้ากับเพื่อนของเราบางทีเราก็เห็นเพื่อนของเราส่งเสียงดังบ้างพูดคุยบ้างโทรศัพท์บ้างบางทีก็เดินไปเอาน้ําทั้งวันเดินไปนั่นไปนี่บางทีก็ขึงพายางทั้งวันบางทีก็ขนเข้าขนออกไม่เข้าที่เข้าทางสักทีบางทีแล้วเราก็ลาคาญจนหายลาคาญไปแล้ววันแรกๆเราจะลาคาญขัดหูขัดตา ข, ข, ข, ข, ขัดใจ ถ้อยู่สองวันสามแล้วก็ยอมรับได้มันก็เห็นจนชินบางทีเราก็ปรับตัวนะเข้ากับสุขภาพร่างกายของเราบางคนก็ป่วยแต่ก็ต้องยอมที่จะฝึกหัดตัวเองนะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้บ้างบางทีก็ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายมันก็ปรับเนื้อปรับตัวหนาวหนาวร้อนร้อนร น, นหนาวหาวจนกทั่ง มันก็เกิดผมต้านทานขึ้นมาพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเดินได้นานๆมันก็มีความง่วงเข้ามาบ้างมีความสงสัยลังเลเอ๊ะอะไรคือความรู้สึกตัวกายอยู่ไหนรูปธรรมอยู่ไหนความคิดอยู่ไหนนามนามรูปอยู่ไหนมันก็จะคิดหาลังเลสงสัยฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมา เราก็รู้สึกตัวบางทีมันก็ฟุ้งที่ก็หายฟุ้งที่ก็ง่วงที่ก็หายง่วงเบื้องหลังความง่วงก็มีปิติให้ความโล่งโปร่งเบาให้เราก็เริ่มจับอ๋อเวลาผ่านมันมีลักษณะของการตื่นเกิดขึ้นมาเราก็เริ่มสนุกผ่านได้ทุกครั้งก็ตื่นทุกครั้งก็เริ่มมีอาการสนุกเกิดขึ้นมามันมีความสําเร็จความภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดขึ้นมาบางทีเราก็เริ่มเห็นความคิดมันว่าๆผู้ผูนี เราก็เริ่มเอ๊ะใจเอ๊ะตรงนี้เรามั้งนะที่ก็บอกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเริ่มรู้ทันความคิดทิมเกิดขึ้นมาเริ่มเห็นความคิดทิมเกิดขึ้นมาจนกงทั้งบางทีเกิดขนลุกสู้ขึ้นมาเฮ้ยมันตรงนี้เหรออย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผมหลืงอตาตมาคเคยเป็นนะพอมันเดินไปเดินมาเจ้าวันหนึ่งสังเกตก่อนที่เราจะตักอาหาร เราจะไม่ไปพูดไปคุยกับใครเลยพาะสักรุมแล้วก็ไม่พูดไม่คุยอันนี้จะมีวินัยกับตัวเองนะตลอดปฏิบัติแล้วไม่พูดคือไม่พูดนั่นแหละไม่ต้องมายุ่งกันเลยทีเดียวนะจะคิดว่าอะไรไม่ว่ากันแต่ขออย่างเดียวถ้ากีดจะพูดนะใหนรู้ทันอย่างเงีนนะ้มันก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะที่สลาน้ามันก็เห็นอาการหนึ่งนะมีความคิดเกิดขึ้นม ตอนที่เก็บอารมณ์มันเะนีมันขนลุกสู้ทั้งตัวเลยฮนะมันรู้สึกก็แปลกมากเลยมันไม่เคยเห็นอาการอย่างเงี้ยชัดๆแบบเนี้ยปรากฏว่าพอมันเห็นปั๊บเนี่ยเฮ้ยอาการกระดิกตัวเนี่มันคือความคิดเนี่ยนะคนมันลุกสู้อย่างรุนแรงนะแล้วมันก็เบาปุ๊บเลยปรากฏว่ า, าหลงไปอยู่ในความเบาเลย น, นะก็คืออารมณ์วิปัสสนานั่นแหละ พอมาเริ่มเห็นอาการตัวกายตัวจิตเห็นซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันก็ชินละแหละก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอาการบั บ, แบบัแวบแฟู่ฟูไหวๆจิตจิจิตจิจิตจิตนะไปเป็นอาการของจิตนะที่กันเด็กทําหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติของเขาแต่ว่าใหม่ๆที่เรากลัวความคิดนเราก็ไม่รู้จักจิตก็เกิดการกดขม่มขึ้นมาเพ่งจ้องที่ยึดประเภทนั้น อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าถูกว่าผิดแต่จะเป็นบทเรียนของคนที่ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นพอมารู้รูปนามปับ๊บอาปปรมิปัสสนูก็จะจอดมาทันทีไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นไม่อยากเห็นมนก็ต้องเห็นและความเป็นทางผ่านมันก็จะเริ่มรู้ลักษณะของอาการคิดที่เป็นบุญคิดอย่างนี้คิดที่เป็นบาปคิดอย่างนี้การหลุดหลงไปในความคิดเป็นอย่างนี้พ้นจากความคิดวิมุตต์เล็กๆเป็นอย่างนี้เกับการเบื่อหน่าย ในการคิดแล้วก็โลดคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็หลงเนี่ยมันเริ่มเบื่อหน่ายนิพพทาเกิดขึ้นมันก็เริ่มเห็นโอ้ติดใจแล้วเบื่อหน่ายะฏิมัตเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามันเบื่อคิดแล้วก็ทุกคิดแล้วก็ทุกทั้งนั้นมันผ่านมาแล้วเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนที่มันเบื่อไปแล้วมันจะคิดทําไมอย่างเงี้ยมันกลายเป็นบปความรู้สึกตัวเนี่ยมันสบายมันก็เริ่มเลือกที่เลือกทางของมัน แต่ว่าเวลามันคิดขึ้นมามันก็มีเรียกว่ารสชาติอาสาทะนะอศาศะทะเกิดขึ้นมาอาธินวะอย่างเงี้ยนะมันมีลักษณะของรสชาติที่เกิดขึ้นมาแต่พอมันปกติมันก็เป็นธรรมลรดเกิดขึ้นมาเป็นธรรมที่พาให้เราไม่ทุกข์เล็กๆ เ, เกิดขึ้นมาเราก็เริ่มจับประเด็นนี้ได้แล้วอ๋อจิตปกติเล็กๆอย่างเงี้ยนะคิดมันก็เกิดความสุขความทุกข์ไม่ปกติขึ้นมา จิตมันก็เลยรู้สึกว่าวางวาๆสบายๆกลางๆเกิดขึ้นมาน αι, ทุกครั้งที่รู้สึกแล้วก็เกิดความพอดีตรงนี้แหละเราก็เริ่มเห็นแล้วโอ้รู้จักศาสนาก็รู้จักตรงนี้แหละศาสนาคือตัวเรากายมีาศาสนามีศีลอ่อนเป็นอย่างนี้วาจามีาศาสนามีศีลเป็นอย่างนี้นจิตใจมีศาสนามีศีลเป็นอย่างนี้ะปกติเกิดขึ้นมา มันกเกิดการตั้งมั่นจิตของเราพอไม่เห็นคุณค่าตรงไหนมันก็เกิดการตั้งมั่นตรงนั้นนี่มาเรียกว่าสมาธิอย่างงี้นะมันก็เห็นแล้วนะว่าอ๋อสมาธิคือจิตใจที่ตั้งมั่นมีความสุขอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนมันตีความผิดนะมันคิดว่าอาการหนั ก, ห น, กหนักเบาๆในจิตนะกายกินเกียในจิตนะคือความสุขนะแต่ตอนนี้เราสามารถใช้ได้ตามหน้าที่สามีภรรยาหรือว่าใช้ได้ลัหษณะของหน้าที่ต่างๆ แต่ว่าใช้รู้ว่าใช้ตามเหตุตับ จ, จิตใจใช้เสร็จระวางใช้เสร็จระวอย่างนี้เป็นหน้าที่ที่หน้าที่มันอยู่ตรงหน้าอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมมาตรฐานใช้ด้วยสติด้วยปัญญาทำให้เกิดธรรมชาติต่างๆเป็นเรื่องของการดํโรงชีวิตอันนี้แหละมันจะสนุกท่องโลกกว้างเหมืนอนภาพมาลัยอยู่กระทุกไม่ต้องทุกข์อยู่กระสุขไม่ต้องสุข แต่ว่าไปเอาสุขอยู่กับเทวดาเอาเรื่องของความสุขไปเล่าให้พวกนรกฟังนรกไม่แต่ความขัดแย้งในจิตในใจไม่แต่ความทุกข์บางทีก็ไปท่องนรกอยู่กับโลกรรทำนี่แหละไปท่องนรกแล้วเอาเรื่องนรกไปเล่าให้พวกเทวดาเ ท, ทวดาฟังเทวดาฟังก็นั่งอ้าปากว่อลยรอย่างเงี้นะเราก็เห็นเหมือนกันนั่ก็จิงเป็นเรื่องของ จิตใจที่มันมีความรู้สึกตัวเป็นสีห์พระหาเกิดกำลังขึ้นไหมเป็นพระ เ, เห็นพระไตรลักษ์ชัดเจนเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่มันเป็นจริงๆกลกายของเราเนี่ยคือก้อนทุกแท้เล ย, เ น, ยนั่งเดินยืนนอนเียบบดนะกระพริบตาหายใจเนี่ยคือทุกชัดชัดเลยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแต่ละขณะเนี่ยคือการจาลองทุกนั่นเอง แล้วก็จำลองความไม่ทุกข์ให้เราดูเลยเฉพาะหน้าสดสดเป็นปัจจุบันขณะมันเป็นคำพูดอย่างนี้ถูกต้องจริงๆใหม่ใหม่สดสดขณะต่อขณะแต่ว่าอาจารย์โกวิดเกมมนันท่า น, นเป็นผู้ที่พูดไว้รู้สึกจะเป็นคนแรกภาษาว่ารู้สึกตัวสดสดก็คือขณะนี้ขณะนี้ขณะ น, น, น, น, นี้ปัจจุบันขณะแต่ว่ารู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่าน รู้ปล่อยรู้วาง <Yeah. S 2> เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน <Yeah. S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนภาษาเคยฟังอาจารย์พุทธาสมัยก่อน <Yeah. S 2> ไม่เข้าใจ <Yeah. S 2> แต่ก็น่าฟังเวลาท่านพูดว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน <Yeah. S 2> มันเป็นเช่นนั้นเองหรือว่าหลวงพ่อเขียนท่านพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรพอเราเห็นว่าโอ้ใช่จริงๆแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตน จะทำอะไรเราก็รู้แล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงๆหรือว่ามันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆคำว่าไม่เป็นอะไรก็คือลักษณะของตัวจิตตัวใจของเราเนี่ยมันว่างจากความหมายความเป็นตัวตนที่จะเข้าไปยึดในรูปรสแต่งสีกินเสียงต่างๆที่มันเกิดการปรุงกันแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจนะ มันใช้ระหว่างจริงๆมันทําหน้าที่จริงๆเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินกลิ่นสักว่ากลิ่นรสสักว่ารสนีสัมผัสสักว่าสัมผั ส, สคิดสักว่าคิดอย่างเงี้ยมันมีจริงๆมันเป็นการเดินทางที่เกิดจากความรู้สึกตัวที่เราเคลื่อนไหวแต่ละขณะแต่ละขณะนีแล้วก็ปัญญามันก็จะตอบอย่างนั้เงกระท่านคำพูดของครูบาอาจารย์มันไม่ใช่แค่คําพูดตามเป็นสภาวะธรรม ที่ ป, ปรากฏปรากฏการณ์แต่ละขณะที่มันปรากฏมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราก็เลยรู้จักเรื่องของศีลขันสมาธิขันปัญญาขันมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสตัวสะโมหโลภะมันเห็นอย่างนั้นเห็นขันห้าชัดเจนเห็นรูปธรรมอย่างนี้นะเห็นลักษณะของ อ, อสัญญาเป็นอย่างนี้นะ สังขารการปรงเป็นอย่างนี้นะมันเป็นความบริสุทธิ์เด่นนะแต่ว่าถ้าหลงเข้าไปเนี่ยมันเป็นความไม่บริสุทธิ์มันก็จะเกิดอาการยึดตันหาอุทานขึ้นมาเกิดยึดจริงๆในเรื่องของนามเนี่ยึดง่ายมากเวทนาตันหามันเกิดขึ้นมาในเวทนานะก็อุทานขึ้นมาในเวทนานะสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันมันเกิดเราก็รู้แล้วะ สิดศีลการสมาธิขันปัญญาขันขึ้นมาไงมันก็เห็นในะความจริงแล้วไอ้กามันเป็นอย่างนีนะ้พบชาติก็เป็นอย่างนี้อยู่ในความคิดในการปรุงกันแต่งมันก็คืออารมณ์ปฏิบัติไม่รู้เล็กๆมันเป็นอย่างนี้นะกลับมารู้เป็นอย่างนี้นะเริ่มเห็นอวิชชาเกิดขึ้นมาความไม่รู้รู้ไม่ถูกเนะี่ยเพราะนั้นขณะที่เรารู้สึกตัวเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้วก็รู้สึกถูกยังไงวิชาเกิดขึ้นมามารู้ตรง จะจะทความเป็นจริงนะมันเป็นเรื่องของสำ ม, มาทิถี่เบื้องต้นรู้แล้วรู้ถูกรู้แล้วรู้ถูกนะแล้วมันจะไปไหนได้นะกรบูอาจารย์ท่านกระชี้ไว้ตรงจริงๆนะแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยประสบการณ์สักนิดนนะึอย่างเช่นตอนที่เราเทศเรื่องของปรนะสบ ก, การณ์การปฏิบัติเนะเราฟังดูแล้วนะผมแล่าตมานะฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่า ทุกคนแท้นี่ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดนะนั่นละคือสภาวธรรมของแต่ละท่านที่เราสามารถที่จะทบทวนแล้วก็นำมาถ่ายทอดได้อย่าง้นะแต่ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นประสบการณ์แต่เราไม่สามารถที่จะเรียบเรียงออกมาพูดได้ตรงๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราพูดไปแล้วเนะี่ยมก็จะมีการไปเราลึกแล้วก็ทบทวนแล้วก็มองว่าเอเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้พูดนะ ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้พูดน่าจะพูดอีกสักหน่อยอะไรกันนั่นแหละมันก็คืออารมณ์ที่เราปฏิบัติมาแล้วมันก็ไม่สามารถจะนํามาเรียบเรียงถ่ายทอดได้แต่ว่าประสบการณ์เหล่านี้จะไม่ได้หายไปไหนพอเรานานๆเข้าดูซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทุกวันทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทั้งเราฉวยโอกาสทั้งเราเก็บตกทุกๆกันนี มันจะประมวลให้ชัดคมอีกฉากอีกครั้งหนึ่งท้ายสุดและโดวยเพราะคนที่จะต่อไปจะเป็นครูบาอาจารย์ล้วก็จะต้องไปบอกค น, นเวลาเขาถามเรียกว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพจิตถามหรือว่านักปวติถามในการภายหลังนะ มันจะกลายเป็นว่าพอก็ถามปั๊บเราจะรู้เลยหรอแง่มุมตรงเนี้เราก็เคยได้ตอกย้ำหลงเข้าไปจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้แล้วก็แจมแจ้งขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถที่เหมือนกับว่าชวนกันไปทางที่ไม่เสื่อมนตรงทีต่ตรงทางจริงๆรนะิอันนี้เราคือการเผยแผ่พระศ า, ศาสนาต่อไปอย่างนะี้ดังนั้นวันนีนะ้เราก็ได้มาร่วมกันทำบัตรสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกั็ว่าได้นะ ก็ขอใหนะ้ความดีของเราที่เราได้ทํามาทั้งชีวิตจนกระทั่งความดีทั้งปวงมันประมวลจนทั้งเราได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการฝึกขัสติก็ขอให้นะการฝึกหันสติของเรานะก็จงมนะีธรรมะที่เป็นธรรมคุ้มครองชีวิตของเราให้ตกน้าไม่ไหลหตกไฟไม่ไหม้แล้วก็ให้นะ ธรรมะที่สมควรกกบการปฏิบัตินะก็จองนะเป็นปัญญานะเห็นความทุกข์ผ่านความทุกขนะ์จนกระทั่งเหมือนกับว่าทิ้งความทุกข์ไว้ข้างหลังนะเดินทางไปสู่การพ้นทุกขนะ์จนกระทั่งความทุกข์ที่มันปรากฏนะสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันนะแล้วก็สามารถที่จะนะ สิ่งที่จะพูดต่อเนี่ยมันก็คือมันก็สูงนะนะสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะของนิพานที่เรียกว่านิพานโดยสิ้นเชิงนิพานที่มันเป็นเรื่องนิพานที่มันไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เรียกว่าที่สุดของการแสวงหานะโดยทั้งนักการทุกท่านทุกคนทั้นเธอ